เป็นไงบ้างเรื่องฌานบอกว่าบางทีก็พุทธพจน์บอกว่าจิตตังปัญ ญ, ญัาจะภาวายังเนี่ยนะบอกว่าอบรมจิตและปัญญาเนี่ยนะพุทธพจน์ใช้คําว่าอบรมจิตเนี่ยนะหมายถึงว่าทําจิตตภาวนาเนี่ยนะอันนั้นแหละความหมายถึงฌานบอกว่าแหมอบรมจิตเนี่ยเขาบอกว่าแค่ฟังยังจะเข้าใจา ย, ยากเลยว่าไงจะป่วยกล่าวไปยายถึงการปฏิบัติเนี่นั่นกน็นการศึกษาให้เข้าใจานี้จึงเป็นหัวข้อสําคัญก่อน ถ้ามีความเข้าใจมากการเจริญเป็นต้นก็เป็นไปได้มากนเซึ่งครั้งที่แล้วเราก็ได้กล่าวถึงปฐมฌานแล้ว น, นคือในส่วนปริเชตหนึ่งคือจิตวิภาคเนี่ยคงขยายคร่าวๆนะถ้าจะได้เรียนละเอียดเกี่ยวกับเรื่องฌานอีกครั้งหนึ่งก็คงรอที่ปริเชตเ้าพอนี้ก็กาลังเรียนปริเชตหนึ่งถ้าเอาปริเชตเก้ามาที่บายไปหมดเลยก็คงเดี๋ยวจบปริเชตหนึ่งจบหมดเลยเอนกัน เ ร, รีบเอวังซะก่อนนะเนีย่ ย, ย, ยให้กรุงเทพไม่ติดหรอกติดเชียงใหม่แล้วแต่ไม่รู้อำเภออะไร น, น, นประปทุมชาญนะ ประทมชาญซึ่งครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงว่าก่อนที่จะได้ประมชาญเนี่ยก็มีคุณธรรมที่เป็นอุปจาระชาญอุปจาระชาญเนี่ยมีอยู่เจอย่างด้วยกันนี่นะหนึ่งเนคขมมะอันเนคขมมะตัวนี้เน้นที่กุศลนะเน้นตัวกุศลไม่ใช่เน้นตัวบวตเนคขมมะหมายถึงที่ปฏิเสธโลภะนั่นเองอย่างที่สองอัพพยาปาทะ อันนี้คือคุณธรรมรองพื้นฐานของความคิดนะนะรองรองจิตรองใจไว้ก่อนเหมือนกันเถอะสามก็อะโลกะสัญญาอันนี้คือประกาศถึงว่าไม่ใช่เป็นคนชอบหลับแปลว่าชอบตื่นนะแล้วก็มไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะ ไม่ฟุง้งซ่านการกําหนดธรรมคำว่ากําหนดธรรมในที่นี้แปลว่าแยกแยะออกเพื่อจะละวิจิกิจชาเนี่ยนะแล้วก็ละปราโมทเนี่ ย, ยแล้วก็อีกคุณธรรมอีกตัวสุดท้ายก็คือญาณนะ อันนี้ถือว่าเป็นคุณธรรมรองพื้นฐานของของจิตใจเนี่ยนะซึ่งคุณธรรมที่รองพื้นฐานอันนี้ก็ละบาปละอกุศลไประดับหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ใช่ฌานหมายความว่าพื้นฐานที่จะทําให้เกิดคุณธรรมคือฌานต่อไปปกติแล้วละเนกเนกธรรมะอันนี้ละกามฉันทะอันนะั้นอภยยาปาทาอันนี้ละด้วยละพยาบาท อโลกก ส, สัญญาก็ละทีนะมิทะอันนี้ความไม่ฟุ้งซ่านอันนี้ก็ละอุทธะกุกุจะเนี่ยนะแล้วก็การกำหนดธรรมก็ละวิจิกิจชาส่วนปราโม้นเนี่ยละอารติอารตินี่แปลว่าไม่ยินดีในการเจริญกุศลเนี่ยนะเบื่อหน่ายที่จะหลีกเล่นส่วนยานะตัวนี้ก็ละอวิชชา อันนี้เขาเรียกว่าตะทางข่าประหารนะเนี่ยนนี้นี่ตัวที่ถูกละออกไปน่นะคือตรงนี้เป็นกุศลฝั่งนี้เป็ น, นอกุศ ล, นน ค, ค, ลคือเจริญกุศลเพื่อละอกุศล ทีนี้กุศลเหล่านี้มันเป็นอุปจาระคือเป็นพื้นฐานที่จะบริหารคุณภาพจิตให้รองรับคุณธรรมคือฌานเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าอุปจาระสมาธิก่อนทีนี้พออุปจาระเหล่านี้ได้ดีแล้วก็มาหากรรมฐานที่เหมาะกับอัธยาศัยเนี่ยนะคือกรรมฐานที่จะทำให้ได้ฌานมีอะไรบ้างอันนะคือกะสิน กสินสิบเนี่ยนะอสุภะสิบพรหมวิหารแล้วก็อนนาปานาสติเนี่ยนะอันนี้เป็นกรรมฐานหลักๆที่จะทำให้ได้ฌานเนี่ยนะเสร็จแล้วท้าพอมาบริหาร กรรมฐานหรือบริหารอารมณ์เหล่านี้นะก็รักษาให้ได้ฌานฌานตัวฌานนี้ก็คือระดับอัปปนาสมาธินั่นเองแล้นฌานนี้ถ้าเรียงโดยลำดับก็คือระดับที่1ก็เป็นปฐมฌานปฐมฌานซึ่งมีองค์ประกอบอยู่เท่าไหร่มีองค์5องค์5ก็คือ1วิตกสอง วิจาร3ตมีติตสุ่กห้อนนะเอกคตาในองค์5นี้จริงๆแล้วอ่ะในในปฐมมชานี่มีเจตเสิกเกินกว่านี้ใช่ั้ยปฐมมชานมีเจตเสิกมากกว่านี้คือกลุ่มภาษาปัญจกะชาณนะปัญจกะเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ยกตัวอย่างมากเฉพาะชาณนะปัญจกะ เพราะจริงๆแล้วก็ยังมีตัวอื่นๆอีกตั้งๆมากที่ไม่ได้พูดถึงณที่นี้แต่ก็นับเนื่องในประถมะชาญแต่ไม่ได้ทํากิจแบบแบบองค์ห้านี่องค์ห้านี้ทํากิจเพ่งอย่างหนึ่งกับทํากิจเผาทํากิจเพ่งกับทํากิจเผาเช่นวิตกเนี่ยเพ่งอารมณ์ใช่ไหมด้วยการยกกิตขึ้นสู่อารมณ์ันนี้เผาอะไร วิตกนะตัวยกเผาเผ า, าอะไรครั้งที่แล้วนะโดยเอาโดยกิดเพ่งก่อนนะวิตกนี้ทำกิดยกวิจารณ์ ทำกิจผูกปีติเ อ, อิบอิม่มสุกก็ทำกิจเจริญงนั้นเอกะขะตาจึงจึงตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ได้ในความเป็นฌานจริงๆนะตัวที่จะทำให้วัดคุณภาพฌานคือตัวเอกะขะตา มันวิตกจึงเผาจึงเผาถีนะมิทะวิจารเผาวิจิกิจชาปีติเผาพยาบาทสุขเผาเผาราคะเผาอุทธจา ร, าราาาอุทธจารนะรและก็กุกุจจาร์ด้วยนะีย ส่วนเอกคตาเผากามฉันทะเห็นเพราะตัวองค์ฌานทั้ง5้าเป็นตัวเพ่งเพ่งหมายถึงว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์ตามผูกอารมณ์เอิบอิมในอารมณ์เจริาอารมณ์คุณธรรมเหล่านี้ทำให้เอกคตานี้ได้ได้ฌานเนี่ยนะให้ให้ดำรงมั่นโดยความเป็นฌานถามว่าฌานกับ อุปจาระฌานซึ่งองค์ธรรมมันคล้ายๆกันะแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันตรงว่าตัวกุศลเหล่านี้มันเดี๋ยวก็ขึ้นสู่ผวังเดี๋ยวก็ตกผวังเดี๋ยวก็ตกผวังเดี๋ยวก็ตกผวังแต่ถ้าฌานเนี่ยฌานจิตสืบเนื่องกันเป็นวันๆได้เนี่ยนะไม่มีภวังมาขั้นเลยนะเป็นวันๆก็ได้ถ้าถ้าเจริญได้ถูกต้องตามนี้ก็จะแตกต่างกันตรงนี้ก็คือเดี๋ยวก็เข้าภวังะนะ ชาวนะเจ็ดวงก็ลงพวังเจ็ดวงก็ลงพวังอ่ะนะพวอุปจาระฌานแต่ถ้าเป็นอั ป, ปนาแล้วก็จิตชนิดเดียวกันเนี่ยต่อได้ยาวเนี่ยนะก็แล้วแต่ความชำนาญขึ้นทีนี้ในองค์ฌานทั้ง5้าเวลาเกิดขึ้นก็ก็กเผาปฏิปัปกษธรรมเนี่ยนะเผาสรุปว่าเผานิวรณทั้งห้าออกไปเขาว่าตกวังในองฌานมันตกยงไอเออแปลคือหมยายคืว่าพูดแบบ ธรรมดาเลยก็ ต, ตื่นตื่นหลับหลับหลับหลับตื่นตื่นะคือ <S <S ถ, ถ้ามองเป็นวัตถุเลยเหมือนก็อ่านหนังสือเล่มหนึ่งอะนะอ่านไปได้หน้าหนึ่งก็หลับตื่นขึ้นมาอ่านต่อแล้วก็หลับตื่นขึ้นมาอ่านต่อแล้วก็หลับกุศลทั่วๆไปจะลักษณะนั้นแต่ถ้าเป็นชา่อาฌนก็เหมือนก็ตื่นตัวอยู่ตลอดเลยไม่มีไม่มีการเข้าอ่ไม่มีการตกสู่ภวงังภวังไม่มีขั้นเลย ท, <บ> ท, ที่อยู่ในองค์ฌานที่ว่าตก เอ๋อไม่ต้องมองเป็นวิถีถ้มื่อว่าถ้าเป็นชาณสมาบัติวิถีเนี่ยจะขึ้นมโนทวาราวชนะแล้วก็ชาวนะเนี่ยนะพอครบสูตรขึ้นมโนทวาราวชนะแล้วก็ชาวนะต่อไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นอุปจาระชาญ น, นะมโนทวาราวชนะชาวนะเจ็ดดวงดวงที่เจ็ดแล้วผวังหรือหรือตถารรมนะ ผวังนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะกี่ดวงอละขึ้นมนโนทวาราวัชณะใหม่ขึ้นลักษณะนี้มันมีผวังมาขัน้นเยอะแต่พวกกลุ่มถ้าได้ฌานแล้วไม่มีผวังมาขั้นแบบนี้เลยเห็นไหมแล้นลปริมาณของคุณภาพของเอกขตามันจึงอุปจาระมันก็ไม่มันเป็นกามาวจรส่วนถ้าเป็นฌานนี่ระดับรูปาวจรเห็นไหมหรือผลที่ที่แยกได้ชัดเจนนะว่า พวกอุปจาระให้ผลนำเกิดมนุษย์กับเทวดาแต่ว่าในชาญนี่ให้เกิดเป็นพรหมขีดขีดผลเนี่ยแตกต่างกันมากเเพราะว่าก่อนที่าตัววิตระดับนี้จะเป็นชาญขึ้นมามันต้องข้ามโคตรกามาวจรไปก่อนจึงจะได้อันนี้ขึ้นก็บอกว่าถามว่าสงบหรือปณิท ด, ดีขนาดไหนปกตินะถ้าเป็นพระราชาที่ได้ชาญจะเลือกเอาชาญ ไม่เลือกเอาแผ่นดินเนี่ยนไม่เอาก็ได้บัลลังเอาชาดดีกว่าของเราไม่ได้ไม่เป็นไรชาดหน่อยอย่านั้นคุณนะป้าชาดยังไม่ได้ไม่เป็นไรผู้การองชายด้วยใช่เลยเยังไม่ได้ไม่เป็นไ ร, น, ไรนานหน่อยนะนะก็เอาจนอยู่ว่างั้นจะสรุปแล้วก็อยู่ไปก่อน จำเป็นนี้เพราะว่ามันยังทำไม่ได้นะก็เห็นด้วย <c oughs> เห็นด้วยทีนี้ต่อไปนะว่าผู้ที่ได้ฌานอย่างนี้ละเขาก็มาทำคุณธรรมอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าวะสีห้าวสีแปลว่าความชำนาญความคล่องแคล่วเนี่ยนะคือหนึ่งชำนาญในการอาวัชนะ แปล ว, ว่าชำนาญในการนึกหรือรำพึงแปว่านึกเข้าฌานได้บ่อยๆนะนึกเข้าฌานเมื่อไหร่ก็นึกได้นึกถึงฌานได้บ่อยมากสองส ม, นนนะ ส, มสมาปัจชนะเนี่ยนะสมาสมาปัฏฐนาอันนี้แปล ว, ว่าชำนาญในการเข้าก็สามก็ชำนาญในการดำรงอยู่นะในเล่มนี้ไม่มี ชำนาญในการนึกชำนาญในการเข้าชำนาญในการตั้งอยู่แล้วก็สีชำนาญในการออกเนี่ยนะวุฒฐานะนี่คือคือชำนาญในการออกแล้วก็หาชำนาญในการพิจารณาพิจารณาเนี่ยปัจจเวกบาลีจําได้ไม่หมดอะชำนาญในการนึกเนี่ยเช่น อยู่ที่ไหนก็นึกถึงฌานได้คล่องอ่ะอันนี้เรียกว่าชำนาญในการนึกนะอยู่ที่ไหนก็นึกถึงฌานได้คล่องมากส่วนชำนาญในการเข้าเนี่ยหมายว่าอยู่ที่ไหนก็เข้าได้ส่วนชำนาญในการตั้งอยู่นะหมายถึงว่าจะตั้งอยู่แค่หน้าที่สองหน้าที่หรือชั่วลัดนิ้วมือก็ได้ตั้งอยู่ทั้งวันก็ได้อันนี้เรียกว่าสามารถจะดำรงอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ได้อย่างที่ใจต้องการก็ชานาญในการออกก็คือ พร้อมที่จะออกได้เช่นว่าตั้งเวลาออกรลางวันก็ออกกลางวันไปออกตั้งเวลาได้เลยเหนะ็นไหมพวกนี้ชํานาญในการออกส่วนชํานาญในการพิจารณาเขาทาอย่างนี้ปัจเวคขณะวาสีเนี่ยนะพอออกพอเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานพิจารณาวิตกเห็นไเสร็จแล้วพ อ, อลงสู่ผวังไงไหมบางทีก็อาจจะเข้าฌานอีกออกจากฌานแล้วพิจารณาวิจารณ์ อย่างนี้ก็ได้หรือเข้าฌานใหม่แล้วออกจากฌานพิจารณาปีติอย่างเง้ยนะหรือเข้าฌานไปอีกแล้วก็ออกจากฌานพิจารณาสุขแล้วก็เข้าฌานอีกออกจากฌานพิจารณาเอกคตาแต่ถ้าชํานาญมากอาจจะพิจารณาวิตกเสร็จพิจารณาเหตุผิจารณ์ต่อหรือพิจารณาปีติก็แล้วแต่ความชํานาญอันนี้พิจารณาองค์ฌานจะเป็นวิตกคดีวิจารคดีเนี่ยพิจารณาโดยวิปัสนาไม่ใช่ เธอพิจารณาถึงคุณภาพของอันนี้ถ้าอุปมานะถ้าเป็นแบบถ้าเป็นดอกไม้ห้ากลีบนะก็เ น, น้นพิจารณาแต่ละกลีบแต่ละกลีบไปพิจารณาถึงตัวคุณภาพของวิตกธรรมชาติที่ยกอย่างเงี้ยเป็นวิตกใคร่ครวนอย่างนี้เป็นวิจาร์ตัวที่อันนี้ตัวเ อ, อิบอินนะันนี้ตัวสุขถามว่าพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อจะได้คัดว่าอันไหนมันหยาบที่สุดในนี้ อย่างนั้นก็ต้องเข้าถึงชานหแล้วเพราะไม่ชาญนที่หนึ่งก็ต้องทำปฐมฌ า, านก่อนอทำวสีห้าให้ได้พอทำวสีอันนี้ถามว่าประโยชน์อะไรสมมติว่าดอกไม้ห้ากลีบนะวิตกวิจารปีเตสุขเตกัคตาเนี่ยนะเาผู้ที่จะได้ทำฌานสูงๆต่อไปจะเห็นว่าไอตัวเนี้ยมันหยาบตัววิตกวิจามันหยาบเพราะคนที่ได้ฌานต้องสงัดจากตามสังัดจากกุศล การทั้งหลายมันเกิดจากการตรึกเกิดจากวิตกวิจารณถ้าไม่ตรึกนะั้นมันไม่มีไม่เป็นกามดะนั้นก็พอแยกอันนี้ได้ชัดเจนดีระดับหนึ่งก็บอกว่าต่อไปนะฉันจะกําจัดเจนนะดังนั้นก็พอเห็นโทษของของวิตกก็เข้าฌานแต่ถ้าเห็นโทษของวิตกนะด้วยวิราคะอนั้นแรงเข้าฌานมันจะดับวิตกได้ <c oughs> อย่างเช่นสมมุติว่าอันนี้เป็นกระสินใช่ไหม กสินต้องเป็นระดับปฏิภาคณิมิตเน่เป็นอารมณ์ของปฐมฌานได้ปฐมฌานและวทำฌ า, านที่หนึ่งให้ชำนาญอย่างนี้เลย